ตามหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีความสําคัญเท่ากับใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่คงทนเหมือนกับใจใจนี้ไม่มีวันตาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปไม่มีอะไรในโลกนี้จะให้ความสุขได้อย่างถาวรเหมือนใจใจนี้เป็นสิ่งที่ถาวรและใจนี้หรือความสุขของใจนี้ ก็เป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดใจจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ภารกิจของพวกเราจึงอยู่ที่การสร้างความสุขที่ใจกันเพราะเป็นภารกิจที่สำคัญกว่า ภารกิจท้งปวงภารกิจอย่างอื่นเช่นการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายเป็นภารกิจที่ไม่สามารถให้ความสุขที่ถาวรให้กับพวกเราได้ต่อให้เราได้มามากน้อยเพียงไร แล้วันหนึ่งก็ต้องมีการพัดพรากจากกันลาบยศสฉรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะที่พวกเราหากันอยู่ทุกวันนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นที่พึ่งชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดพรากจากกันถ้าเขาไม่จากเราเราก็จากเขาเช่นเวลาเราตาย ลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆที่เราหามาได้ทบาเป็นแทบาตายก็ต้องจากเราไปเราต้องจากเขาไปเราไม่สามารถเอาลาบยศสรรเสริญไม่สามารถเอาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายติดตัวไปกับเราได้แต่ความสุขทางใจนี้ เราสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้เพราะใจไม่มีวันตายและความสุขที่อยู่ที่ใจก็จะไปกับใจด้วยดังนั้นเราจึงควรหันมาสร้างความสุขทางใจกันดีกว่าดีกว่ามาสร้างความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ่นกายกัน เพราะมันจะต้องทำให้เรามีความทุกข์กันนั่นเองเวลาที่ลาบยศสรเสริญเวลาที่ความสุขทางตาหูจบูกนิ้นกายเสื่อมไปหรือหมดไปเวลานั้นเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจมากบางคนถึงกับทนอยู่ต่อไปไม่ได้ถึงกับต้องฆ่าตัวตายไป แต่ถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์กับความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเรายัางมีความสุขได้เพราะความสุขทางใจนี้ไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะ ไม่ต้องพึ่งตาหูจมูกนิ้นกายนั่นเองนี่คือความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรุ้ความจริงอันนี้พวกเราก็ยังจะต้องพึ่งราบยศสรรเสริญพึ่งความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันแล้วก็ต้องมาทุกข์กัน เวลาที่เราไม่สามารถพึ่งลาบยศสรรเสริญพึ่งความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้ชาตินี้เป็นชาติที่เป็นชาติที่วิเศษเป็นชาติที่มีโอกาสที่นานๆานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งก็คือการได้มาพบกับพระพุทธศาสนา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 เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปแล้วเราก็จะได้เรียนรู้วิธีสร้างความสุขทางใจกันขึ้นมาเพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวกก็ดีท่านรู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจกันท่านได้สร้างความสุขทางใจกันมาแล้วท่านละ ท่านจึงเอามาสั่งสอนมาบอกพวกเราถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับความสุขอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุกทั้งหลายได้รับกันอย่างแน่นอนเพราะการกระทาการปฏิบัติการสร้างความสุขนี้ ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดคุณภาพไปตามการตามเวลานั้นเองในสมัยพระพุทธการปฏิบัติกันอย่างไรได้ผลกันอย่างไรในสมัยปัจจุบันก็จะได้ผลอย่างนั้นเหมือนกันท่านถึงเรียกว่าเป็นอากาลิโกพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกเป็นธรรมที่ ไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาไม่ขึ้นกับการกับเวลาเป็นอมะตะธรรมเป็นธรรมที่คงเส้นคงวามีประสิทธิภาพไม่ประสิทธิผลในทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่เราใช้กัน เครื่องอุ ป, ปโภคบริโภคต่างๆล้วนมีวันเสื่อมอายุ อ, อย่างนี้เขาจะติดฉลากไว้บนสินค้าต่างๆว่าควรบริโภคควรใช้สินค้านี้ภายในวันที่เท่านั้นเท่านั้นถ้าหลังจากวันที่นั้นไปแล้วจะเสื่อมคุณภาพแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ มีแต่ฉลากที่เขียนคําว่าอากาลิโกสวาคาโตภะกวตาธโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกสวาคา ร, รมก็คือทรรมที่พุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วทรรมที่ตัดไว้ตามความเป็นจริงนี่เป็นสันทิติโก คือเป็นสิ่งที่ผู้ได้ยินได้ฟังสามารถนําเอาไปพิสูจน์ได้เป็นาคาริโกไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาพิสูจน์ได้ทุกยุคทุกสมัยในสมัยพระพุทธการมีผู้มีผู้ที่พิสูจน์พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็คือพระอริยสงสาวกทั้งหลายนั่นเองตอน ที่ท่านฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระอริยสงสารกเป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนกับพวกเราที่เป็นกันอยู่ในขณะนี้แต่หลังจากที่ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วได้ยินคได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติเพราะมีศรัทธาความเชื่อ พอได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนก็ได้รับผลขึ้นมาทันทีสมัยที่พระเจ้ทาทรงแสดงธรรมช่วงแรกๆนี้ผู้ฟังธรรมนี้สามารถปฏิบัติไปพร้อมๆกับฟังไปในขณะเดียวกันเลยสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมเลย นี่คือสันติโกความสุขอันยิ่งใหญ่ของใจนี้พวกเราสามารถพิสูจน์กันได้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแต่เราต้องพิสูจน์กันเหมือนกับการรับประทานยาเราจะรู้ว่ายานี้มีคุณมีประโยชน์กับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราหรือไม่ ก็อยู่ที่การลองรับประทานยานั่นเองถ้าเราไม่รับประทานยาเราก็จะไม่รู้ว่ายานี้จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆให้กับเราได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราลองรับประทานเข้าไปเราก็จะเห็นทันทีเลยว่ายานี้จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้หรือไม่ รับประทานเข้าไปแล้วอาการเริ่มดีขึ้นเราก็เริ่มมีความเชื่อแล้วว่ามันต้องรักษาได้เราก็จะรับประทานไปเรื่อยๆตามที่หมอสั่งไว้พอรับรับประทานยาครบตามที่หมอสั่งโครคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่ก็หายเราก็ได้พิสูจน์แล้วว่า หมอนี้เป็นหมอที่เก่งยาที่หมอให้มานี้ก็เป็นยาที่วิเศษสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายขาดได้นี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกการพิสูจน์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสันทิฏฐิโกคือเราสามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นความจริงหรือไม่ให้ผลอย่างที่พระุทเจ้าได้ทรงสอนไว้หรือไม่คือให้ความสุขที่ถาวรแก่เราได้หรือไม่เราต้องปฏิบัติเราต้องพิสูจน์เราถึงจะรู้ว่าเป็นอย่างไรถ้าเราปฏิบัติเราพิสูจน์แล้วเราก็จะรู้ว่าเป็นความจริง ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราได้ยิ่งกว่าใจของพวกเราเองไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาแล้วเราก็จะรู้ว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ทุกยุคทุกสมัยทุกเวลา การพิสูจน์ธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาพิสูจน์ได้ทุกยุคทุกสมัยพิสูจน์ได้มาแล้วในสมัยพระพุทธการและได้มีการพิสูจน์กันแล้วในสมัยปัจจุบันนี้คือครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรากราบว่ากันท่านเป็นผู้ที่ได้พิสูจน์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ว่าเป็นความจริงว่าให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้อย่างแท้จริงท่านได้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกกันขึ้นมาทำไมเรารู้ได้อย่างไงว่าท่านเป็นพระอาหารหันตสาวกก็คืออัติของท่านหลังจากที่ท่านตายไปแล้ว ก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงท่านได้ถึงความสุขของใจอันยิ่งใหญ่แล้วคือพระนิพพานนิบานังปรมังสุขขงังนิพพานนี้เป็นความสุขอย่างยิ่ง นิพพานก็คือผลที่เกิดจากการเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนไปจนถึงขั้นสูงสุดก็คือข่านพระอาหารหันตสาวกขั้นพระนิพพาน บุคคลใดที่ได้บรรลุถึงขั้นพระอาหารหันตสาวกขั้นพระนิพพานแล้วเวลาตายไปนี้กระตุก ข, ของท่านนี้จะกลายเป็นพระธาตุไปอันนี้เราสามารถพิสูจน์ได้เพราะเราเห็นพระธาตาุต่างๆของครูบาอาจารย์ต่างๆ บ, บุคคลธรรมดาอย่างพวกเรานี้เวลาตายไป กระดูกนี้จะไม่กลายเป็นาธาตุขึ้นมาแต่จะผุจะพังไปกลายเป็นดินไปแต่กระดูกของพระอาหารหันต์บางส่วนนี้จะกลายเป็นาธาตุขึ้นมาเป็นเหมือนก้อนห็นนี่คือวิธีหนึ่งที่เราจะพิสูจน์ได้ว่า พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงหรือไม่พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี้มีจริงหรือไม่การที่เราสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือของพระอาหารหันตสาบ ก, ก็ดีก็เพื่อเป็นที่เป็นสักขี พ, พยาน ให้พวกเราหรือพวกอนุชนรุ่นหลังลูกหลานของพวกเราจะได้รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริงไม่ใช่เป็นของที่แต่งกันขึ้นมาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรุปธรรมพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสามารถจะทําให้ผู้ที่ปฏิบัติตามได้หลุดพ้นจาก กองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ได้พบกับความสุขของใจที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดผู้ที่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็กลายเป็นพระอราหารันตสาว ก, กันขึ้นมานี่คือ ความหมายหรือเป้าหมายของการสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระธาตุเพื่อจะได้เป็นการสั่งสอนอนุชนรุ่นหลังว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาจริงเป็นเหตุและเป็นผลที่สามารถพิสูจน์ได้เป็นอากาวิโกอนุชนรุ่นหลังจะเป็นลูกหลานเหรนที่จะเกิดตามมา ถ้าเขาได้มาสัมผัสกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติเขาก็จะได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้ไม่ได้ขึ้นกับการเวลาและไม่ได้ขึ้นกับเพศกับวัยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ถ้ามีความเชื่อแล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็จะสามารถบรรลุผลได้บรรลุถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกได้เป็นหญิงก็ทำได้เป็นชายก็ทำได้เป็นเด็กก็ทำได้เป็นผู้ใหญ่ก็ทำได้เป็นผู้เป็นนักบวชก็ทำได้ เป็นคารวะผู้ครองเรือนก็ทําได้อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองว่าจะทําหรือไม่ทำํำไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยผู้ที่เป็นนักบวชแต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็บรรลุไม่ได้ผู้ที่เป็นคารวะแล้วก็ไม่ได้บวชก็บรรลุไม่ได้เหมือนกันแต่ผู้ที่ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนก็จะบรรลุได้เหมือนกันนี่คือเรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเรารู้เรื่องของความสุขอันยิ่งใหญ่เรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง หลุดพ้นด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการสร้างความสุขของใจขึ้นมาเมื่อใจมีความสุขอันยิ่งใหญ่แล้วเหตุการณ์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้เลยนี่คือความวิเศษของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่นานๆจะปรากฏขึ้นมาให้ได้เป็นที่พึ่งแก่โลกสักครั้งหนึ่งผู้ใดที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีวาสนามีโชคอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพวกเราก็รู้ว่ามันยากขนาดไหน แต่การได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ยิ่งใหญ่กว่าการถกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะรางวัลที่หนึ่งนี้ยังไม่สามารถให้ความสุขที่ถาวรที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายได้แต่การได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อ แล้วน้อมนำเอาคาสอนของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติจะทำให้พวกเราได้ผลได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่ารางวัลที่หนึ่งเพราะเราจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติพลังสุขขังไม่มีความสุขอัใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ ดัง น, นั้นหน้าที่ของพวกเราจึงอยู่ที่การมาสร้างความสงบให้กับใจกันมาสร้างความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงกันอย่าไปเสียเวลากับการสร้างความสุขจากลาบยศสรรเสริญอยากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพักกันเลยเพราะมันจะจบลงด้วยความทุกข์กันนั่นเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญ หรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐ พ, พชนิดต่างๆล้วนเป็นอนิจจังทั้งนั้นคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีการเจริญราบ ก, ก็ต้องมีการเสื่อมราบมีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ก็จะมีทุกจากรูปเสียงกลิ่นรสตามมาเช่นเดียวกันเพราะนี่คือธรรมชาติของราบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผทธภัพเป็นอย่างนี้มันเป็นของไม่ถาวรเป็นของที่มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาและร่างกายที่เราใช้ในการหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสก็เช่นเดียวกัน ร่างกายของพวกเราก็อนิจจงเหมือนกันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปเวลาตายเวลาแก่เวลาเจ็บก็เป็นเวลาทุกข์กันไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายกันแต่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการมาเกิด ถ้าไม่อยากจะแก่จะเจ็บจะตายก็ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นและการที่จะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องทำใจให้มีความสุขทำใจให้หายจากความอยากต่างๆความอยากต่างๆทำให้ใจไม่มีความสุขแล้วก็ทำให้ใจต้องกลับมาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลียนลดผลถภชนิดต่างๆ แต่ถ้าเรามาสร้างความสุขให้แก่ใจได้พอใจมีความสุขแล้วใจก็ไม่ต้องใช้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถพาใจก็ไม่ต้องกลับมาหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลถภอีกต่อไปใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายพอมามีร่างกายแล้วก็ต้องมา มีร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายใจก็ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือความจริงของพระพุทธศาสนาของคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรารู้จากวิธีหาความสุขกันอย่างถูกต้องอย่างแท้จริงต้องหาความสุข ด้วยการทำใจให้สงบกันอย่าไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผททพะกันเพราะมันจะนำพาไปสู่ความทุกข์ในลำดับต่อไปเวลาที่ลาบยศสารเสริญเสื่อมไปเวลาที่ความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายเสื่อมไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ แต่ถ้าเรามาสร้างความสุขทางใจความสุขที่เกิดจากความสงบของใจกันได้เราจะมีความสุขตลอดเวลาเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเพราะเราจะรู้สักวิธีรักษามันรู้จักวิธีสร้างมันแล้วก็จะรู้จักวิธีรักษามันให้คงอยู่ไปกับใจของเราได้อย่างถาวร เป็นอาการลิโกเหมือนกันเป็นความสุขที่เป็นอาการลิโกไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันนั้นตอนนี้ก็ยังมีอยู่กับใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอาหารหันตสาวกใจของท่านไม่ได้ตายไปกับร่างกายของท่านแต่ท่านไม่มีร่างกายมา ติดต่อกับพวกเราได้แล้วเท่านั้นเองเพราะใจของท่านไม่ต้องการมีร่างกายแล้วไม่ต้องไม่จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายแล้วท่านจึงไม่ได้กลับมาเกิดเพื่อมาสอนมาบอกพวกเราให้รู้ความจริงอันนี้อีกท่านก็เลยต้องทิ้งพ่อทมคำสอนทําหน้าที่แทนท่านตอนที่พระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปตอนที่ร่างกายของท่านจะตายไป ท่านก็พูดสอนบอกไว้ว่าพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาปราศจากครูบาอาจารย์เพราะว่าคําสอนของเรานี้จะเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเธอต่อไปขอให้พวกเธอเข้าหาพระธรรมคําสอนของพวกเราแล้วพวกเธอจะไม่ได้มีพวกเธอจะไม่มีไม่ปราศจากการมีอาจารย์พวกเธอจะมีอาจารย์ คอยสั่งคอยสอนเคยคอยพาให้พวกเธอได้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพาให้พวกเธอไปสู่ความสุขที่ถาวรที่เราได้รับจะเป็นความสุขเช่นเดียวกันที่พวกเธอจะได้รับดีคือสิ่งที่เราต้องมีศรัทธามีความเชื่อ เชื่อว่าการปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดสามารถให้ผลได้เช่นเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องมีพระพุทธเจ้ามาคอยสั่งสอนหรือแม้แต่ถ้าไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกมาคอยสั่งสอนถ้ายังมีพระธรรมคาสอนอยู่เราก็ยังสามารถใช้พระธรรมคาสอนนี้เป็นครูเป็นอาจารย์ได้อยู่ ขอให้เราสนใจศึกษากันแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติกันเท่านั้นแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาอาจจะช้ากว่าการมีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอริยรสงสาวกคอยสั่งคอยสอนเพราะว่าเวลาเราอ่านหนังสือธรรมะนี่บางทีเราก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราอ่านไปเรื่อยรือแล้วเรา เอาไปปฏิบัติเด้วยๆเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจเองแต่อาจจะช้ากว่าถ้ามีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอริยสงสาวกมาคอยตอบความสงสัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น <Yeah. S 1> พอเราสงสัยอะไรเราก็ถามพระพุทธเจ้าถามพระอริยสงสากท่านก็จะอธิบายให้เราฟังจนเราเกิดความเข้าใจขึ้นมา แต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอริยสงสาวกเราก็ต้องอาศัยการค้นคว้าอ่านหนังสือธรรมะให้มากเท่า น, นั้นคําตอบของเรานี่มีอยู่ในพระธรรมคําสอนแต่เรายังอาจจะอ่านไปไม่ถึงก็ได้นะหรือคําตอบของคําถามของเรานี้มันก็เกิดจากการปฏิบัติก็ได้นะ ถ้าเรายังมีความสงสัยยังไม่เข้าใจในอะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็อย่าเอามาเป็นอุปสรรคเอาเก็บไว้ก่อนแล้วก็ศึกษาต่อไปแล้วก็ปฏิบัติต่อไปแล้ววันดีคืนดีคำตอบที่เราต้องการมันก็จะโผล่ขึ้นมาเองถ้าเราได้ปฏิบัติที่ถูกต้องคำถามต่างๆมันจะหมดไป เพราะว่าคำถามนี้เป็นเหมือนลักษณะของคนตาบอดคนตาบอดก็ต้องอาศัยสิบปากว่าแต่สูตหนึ่งตาเห็นไม่ได้พอเราไปปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับการทำตาที่บอดนี้ให้สว่างขึ้นมาพอเราบรรลุทำตาเราสว่างขึ้นมาความสงสัยในเรื่องราวต่างๆนั้นก็จะหายไป เพราะเราจะเห็นสิ่งที่เราอยากจะรู้อยากจะเห็นแล้วพอเราเห็นแล้วเราก็จะหายสงสัยไม่ต้องให้ใครมาบอกเราว่าเป็นอย่างไรตอนนี้เรายังเป็นพวกสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นอยู่คือพวกเรายังเป็นพวกตาบอดอยู่เวลาเราฟังเทศฟังธรรมหรือเวลาเราอ่านหนังสือธรรมะแทนที่จะหูตาสว่างกลับเกิดความสงสัย ต่างๆขึ้นมาเพราะยังไม่เห็นของจริงนั่นเองงั้นเวลาที่เราศึกษาหรือฟังเทศสั่งธรรมแล้วเรายังเราเกิดความสงสัยขึ้นมาก็ให้เก็บไว้ก่อนถ้าความสงสัยนั้นไม่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติถ้าเป็นความสงสัยที่เกี่ยวกับผลที่เกิดจากการปฏิบัตินั้นเก็บเอาไว้ก่อนขอให้เราเอาไปปฏิบัติกันก่อน พอปฏิบัติแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นผลเองพอเห็นผลแล้วก็จะไม่สงสัยเช่นคนชอบถามอยู่เรื่อยว่าเวลาจิตสงบเป็นยังไงเวลาสงบแล้วเราจะรู้หรือไม่ว่าเราสงบหรือไม่สงบอันนี้อย่าไปสงสัยอย่าไปกังวลขอให้มาสนใจกับวิธีที่จะทำใจของเราให้สงบเพราะว่าถ้าเราทำใจให้สงบแล้ว ใจก็จะสงบพอมันสงบเราก็จะรู้เองมันเป็นสรรทิฏฐิโกไม่ต้องไปถามใครเหมือนกับเวลาที่เรารับประทานอาหารเราไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าเราอิ่มหรือ ย, ยังกินข้าวสองจานแล้วอิ่มหรือ ย, ยังไม่ถามเขาทำไมเขาจะหาว่าเราบ้าเปล่าๆเรากินเราก็ต้องรู้เสียว่าเราอิ่มหรือไม่อิ่มถ้าไม่อิ่มเราก็กินต่อไป การปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติแล้วมันยังไม่สงบก็ปฏิบัติต่อไปปฏิบัติไปจนกว่ามันจะสงบพอมันสงบแล้วมันก็จะรู้เองว่าอ๋อตอนนี้สงบแล้วตอนนี้มีความสุขแล้วมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงแล้วนัตติสันติพลังสุขขังความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง นี่คือเรื่องของอาการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้ามีพระพุทธเจ้าได้นิดิเป็นอันดับหนึ่งถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้านี้เป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะจะสามารถบรรลุธรรมได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าลำดับที่สองก็ให้มีพระอาหารตสาวกเป็นผู้สั่งผู้สอน ถ้าไม่มีพระอนันตสาวกก็ต้องมีพระธรรมคำสอนการมีพระธรรมคาสอนก็เหมือนกับการเรียนตำราด้วยตนเองเช่นอยากจะเป็นหมออยากจะรักษาโรคภัยใค่เจ็บไม่มีครูสอนก็ไปเปิดตำราหมออ่านดูอ่านถึงวิธีรักษาโรคต่างๆ เวลาเกิดมะเร็งขึ้นมาจะต้องรักษาอย่างไรเวลาเกิดโรคหัวใจขึ้นมาจะต้องรักษาอย่างไรก็เรียนไปได้แล้วก็อาจจะรักษาได้แต่อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการมีครูมีอาจารย์มีหมอที่รู้จักวิธีรักษาโรคภัยต่างๆมาสอนมาบอกเราเราจริงเวลาเรียน เรียนแพทย์กันเราจึงไปเรียนตามโรงเรียนกันเราไม่เรียนตามตำรากันเราไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่มีประสบะการณ์แล้วเราก็จะได้ความรู้ที่รวดเร็วกว่าการเรียนตําราตามลาพังแต่ถ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์ก็ต้องพึ่งตารายังดีกว่าไม่มีอะไรพึ่งเลยถ้าไม่มีตํารามันก็แบบลองผิดลองถูก ซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะผิดกันมันก็จะทำให้เราไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ฉันใดถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนไม่มีพระอริยสงสาวกมาสั่งมาสอนเราก็ต้องอาศัยตํารานี่แหละอาศัยพระธรรมคําสอนที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหยิบขึ้นมาอ่านกันอ่านแล้วก็ลองออกไปปฏิบัติกัน เดี๋ยวเราก็จะได้ผลขึ้นมาแล้วเราก็จะหายสงสัยแต่อาจจะช้าอาจจะยากกว่าการมีครูบาอาจารย์มาคอยสั่งคอยสอนเพราะเหมือนกับมีคนคอยป้อนอาหารให้กับเราสมัยที่เราเป็นเด็กนี่เรายังกินอาหารเองไม่ได้ถ้าไม่มีพ่อแม่เอาอาหารมาป้อนเราเราก็อาจจะอดตายได้ หรือเราอาจจะไปหยิบอาหารที่เป็นพิษเป็นภัยกับเรามารับประทานแทนที่จะเอาอาหารที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ได้นี่คือความอความจริงที่เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเราควรที่จะเห็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ถ้าพวกเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย เราก็เป็นเหมือนกับคนตาบอดที่ไม่มีคนนำทางนั่นเองคนตาบอดถ้าไม่มีคนนำทางจะไปไหนมาไหนได้อย่างไรเพราะไม่รู้ทิศว่าอยู่ที่ทิศไหนอยากจะไปทิศเหนือแต่หันหน้าไปทางทิศใต้เดินไปทางทิศใต้ก็จะไม่มีวันไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ถ้ามีคนที่มีตามาบอกมานำทางเขาก็จะสามารถนำทางพาเราไปสู่ จุดหมายปลายทางที่พวกเราต้องการจะไปกันได้จุดหมายปลายทางที่พวกเราต้องการไปก็คือการมีความสุขไปตลอดการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็ไม่มีใครที่จะรู้ทางนี้ได้ดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เองเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันวิธีเข้าหาก็คือศึกษานั่นเองไม่ใช่เข้าหา มาวัดแล้วก็กราบพระเสร็จก็กลับบ้านอันนี้ก็ยังไม่ถึงพระอยู่ดีถึงแม้ว่าพระที่เราไปกาปาาราบไหว้เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรงธรมฟังคำสอนเพียงแต่มากราบเฉยๆมาใส่บาตรแล้วก็กลับอย่างนี้เราก็ยังไปไม่ถึงตัวพระนั่นเองการจะเข้าถึงตัวพระนี้ จะต้องเข้าด้วยการฟังคําสอนของท่านในเป็นเป็นเบื้องต้นแล้วพอเราฟังคําสอนแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนต่อไปเมื่อเราฟังแล้วปฏิบัติแล้วทีนี้ผลก็จะปรากฏขึ้นมาทำต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาเราก็จะเห็นตัวท่าน พราะพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้แล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนี่ยถ้าอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าอยากจะเข้าถึงตัวพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ให้ไปที่ประเทศอินเดียประเทศอินเดียตอนนี้ก็ไม่มีตัวของพระพุทธเจ้าหลงเหลืออยู่แล้วไปก็จะมีแต่สถานที่ที่พระ อ, องค์เคยประทับอยู่เท่านั้นเองแต่จะไม่ได้พบกับตัวพระพุทธเจ้า ถ้าอยากจะพบกับตัวพระพุทธเจ้านี้ต้องศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมนะเอาคําสอนนั้นไปปฏิบัติปฏิบัติจนบรรลุธรรมขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นธรรมขั้นต่างๆเห็นธรรมขั้นโสดาบันเห็นธรรมขั้นตกิดาคามีเห็นธรรมขั้นพระอนาคามีเห็นธรรมขั้นพระอาหารหันต์ ถ้าเห็นธรรมเหล่านี้แล้วจะเห็นตัวพระพุทธเจ้าะเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าตัวเรากับธรรมนี้เป็นอันเดียวกันร่างกายของพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่เป็นร่างกายที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นตัวที่ตัวจริงของพระพุทธเจ้าตัวจริงของพระพุทธเจ้าคือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่มีธรรมทั้งทั้งแท่งะ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมผู้ที่จะเห็นธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสุ ป, ปฏิตพโนอุชุปฏิตพโนญายะปฏิตพโนสามีจิปฏิปัพโนนี่แหละถ้าเราอยากจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า เราก็ต้องเข้าด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยการศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมก่อนเพราะถ้าเราไม่ศึกษาไม่ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่สามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เพราะเราจะไม่รู้วิธีปฏิบัต <omina> ิดีปฏิบัติชอบว่าปฏิบัติอย่างไรนั่นเองการศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้รู <Feuer Throw people> ้ว <guessing>? ิธ <Yan kee> ี ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นปฏิบัติอย่างไรพอเราศึกษาเราก็จะได้เห็นวิธีเห็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติแล้วถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติเราก็จะได้เห็นธรรมกันเราก็จะได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ของใจกันที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนดังนั้นเราต้องศึกษา ศึกษาแล้วเราก็จะเห็นประวัติของพระพุทธเจ้าเห็นประวัติของพระอริยสงสาวกทั้งหลายเห็นวิธีที่ท่านปฏิบัติกันแล้วถ้าเราปฏิบัติตามที่ท่านปฏิบัติเช่นสอนให้ทำทานท่านกัสละท่านก็ทำทานอย่างเต็มเต็มร้อยคือมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรท่านก็บริจาคไปหมดสะละราชสมบัติ นี่เรียกว่าทานการสละราชสมบัติพระสาวกทั้งหลายท่านก็บริจาคทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองกันทาไมต้องบริจาคเพราะจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องเงินทองนั่นเองจะได้มีเวลาไปปฏิบัติอย่างเต็มที่นั่นเองไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มที่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินใช้ทอง ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการหาเงินหาทองถ้ายังใช้เงินใช้ทองอยู่ก็ต้องหาเงินหาทองเมื่อหาเงินหาทองก็จะไม่มีเวลามาหาธรรมกันเท่กว่านี้พวกเราเอาเวลาไปหาราบยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราจึงไม่มีเวลามาหาธรรมกันมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจกัน เราต้องเปลี่ยนวิธีการหาความสุขเลิกหาความสุขจากลาบยศสนเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะแล้วไปหาความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มร้อยถึงจะได้ผลถ้าปฏิบัติแบบมือสมัครเล่นนี้ มันจะไม่ได้ผลมากจะได้ผลเพียงเล็กๆน้อยๆอย่างไม่พอเพียงถ้าอยากจะได้ผลเต็มร้อยนี้ต้องเป็นมืออาชีพต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างมืออาชีพก็คืออย่างนักบวชทั้งหลายนักบวชนี้ท่านเป็นมืออาชีพในเรื่องของการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าพวกเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ในเฉพาะวันพระ น, student, <Leon idas> <S Chat> นี้ยังเรียกว่าเป็นมือสมัครเล่นอยู่เหมือนนักกีฬาที่ที่เป็นมืออาชีพกับมือสมัครเล่นนี้เขาจะทุ่มเทเวลาให้กับการซ้อมกีฬาไม่เหมือนกันเลยคนที媽媽่เป็นมืออาชีพนี้เขาจะทุ่มเทให้กับการซ้อมกีฬาทุกวัน Star <S <S <IN spinning mand ala> แต่คนที่เป็นมือสมัครเล่นนี้เขาจะให้เวลาเฉพาะวันหยุดทํางานของเขาแทนที่ วันที่วันไหนที่เขาไม่ทํางานเขาก็ไปซ้อมกีฬาการซ้อมเวลาที่ซ้อมก็เลยมีน้อยกว่ามืออาชีพเวลาไปแข่งขันเพื่อชิงรางวัลกันก็มีแต่มืออาชีพที่จะได้รางวัลมือสมัครเล่นนี้จะไม่ได้รางวัลกันยัในใดถ้าเรายังเป็นมือสมัครเล่นในการปฏิบัติพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็คือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา เช่นปฏิบัติเฉพาะในวันพระวันหยุดทํางานก็ไปอยู่วัดไปรักษาศีลแปดไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาอันนี้ก็จะทําได้เพียงวันเดียวซึ่งไม่เพียงพอกับการที่จะทําให้เกิดผลขึ้นมาถ้าอยากจะให้เกิดผลขึ้นมานี้จะต้องทําทุกวันปฏิบัติทุกวันรักษาศีลตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปทุกวันะ แล้วก็นั่งสมาธิทุกวันแล้ววันละหลายหลายรอบแล้วก็จะเอ่นปัญญาสลับกับการนั่งสมาธิอันนี้ถึงจะทำให้เกิดผลขึ้นมาได้ผู้ที่ได้รับผลกันนี้เป็นพวกมืออาชีพทั้งนั้นผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกัร น, นี้เป็นพวกที่ไม่มีอาชีพอย่างอื่นมีอาชีพของการปฏิบัติทำเพียงอาชีพเดียว ไม่มีอาชีพในการหาเงินหาทองหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอาชีพนี้ท่านตัดทิ้งไปท่านไม่ยุ่งด้วยไม่สนใจด้วยไม่สนใจกับลาบยศสรรเสริญไม่สนใจกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะทุ่มเทให้กับการหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจด้วยการเจริญศีลสมาธิ ป, ปัญญาะ ถ้าได้เจิเจริญเสีนสมาธิปัญญาอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกันเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนเราก็จะได้เป็นพระสุปฏิปันโนกันเราก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลกันได้เป็นพระอริยขั้นต่างๆตามลำดับ เริ่มต้นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปสู่พระสกิดาคามีไปสู่พระอนาคามีและไปสู่พระอาหารหันต์เป็นลำดับสุดท้ายได้อย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่ได้บำเพ็ญมาแล้วได้ผลมาแล้วไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นผู้คองเรือนถ้าลองได้บำเพ็ญอย่างเข้มข้นอย่างมืออาชีพแล้วได้รับผลเหมือนกันหมด ดังนั้นพวกเราต้องมีศรัทธาและต้องมีความเพียรความพยายามที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาทั้งหมดที่เรามีอยู่นี้ให้กับการสร้างความสุขทางใจกันสร้างความสงบด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันให้เราสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปสละความสุขจากลาบยศสรรเสริญไป เพื่อเราจะได้เอาเวลามาสร้างความสุขทางใจกันมาปฏิบัติธรรมกันถ้าเราได้ทำแล้วผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมาครูบาอาจารย์ที่ได้บรรลุธรรมนี้เป็นสักขีพยานยืนยันให้พวกเราเห็นว่าท่านก็เป็นเหมือนพวกเราตอนต้นเมื่อก่อนที่จะได้พบกับพระพุทธศาสนาก็หลงไหลอ ย, อยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย หาความสุขจากลาบยศสารเสริญต่างๆแต่พอได้มาฟังเทศฟังธรรมได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้ว่ามีความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสท่านก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขมาหาวิธีมาหาความสุขด้วยการ ปฏิบัติธรรมกันด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญากันแล้วในที่สุดท่านก็ได้รับความสุขอันยิ่งใหญ่คือบรลมะสุขจากพระนิพพานนิ บ, บานังปรมังสุขขังนกระดูกของท่านอัฐิของท่านได้กลายเป็นพระธาตยืนยันแล้วว่าท่านได้พบกับพระนิพพานแล้วท่านได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ของใจแล้ว อันนี้เหมือนก็จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นแล้วก็มีศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะปฏิบัติตามเพราะท่านก็เป็นเหมือนเราการที่ท่านจะเป็นพระอรหันต์กอนที่ท่านจะหลุดพ้นท่านก็เป็นเหมือนพวกเราแต่พอท่านได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมและน้อมนำอดไปปฏิบัติท่านก็กลายจากปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเรากลายเป็นพระอรหันต์ตสาวกขึ้นมา พวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าพวกเราศึกษาแล้วน้อมเอาเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติกันถ้าปฏิบัติได้อย่างเข้มข้นไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้กลายเป็นพระอาหารหันตสาว ก, กขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ปุถุชนนี้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาไม่มีวิธีอื่นวิธีนี้คืออะไรก็คือศึกษาคาสอน แล้ปฏิบัติตามคําสอนอเท่านั้นที่จะบรรลุหรือไม่บรรลุนี้อยู่ที่ว่าศึกษามากหรือศึกษาน้อยปฏิบัติมากหรือปฏิบัติน้อยเท่านั้นเองถ้าศึกษามากปฏิบัติมากผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนถ้าศึกษาน้อยปฏิบัติน้อยผลก็ยังจะไม่เกิดขึ้นมา ไ ม, ไ, ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นหญิงเป็นชายเป็นคารวาสหรือเป็นนักบวชขึ้นอยู่กับการศึกษากับการปฏิบัติว่าเราได้ศึกษาเต็มร้อยหรืออย่างได้ปฏิบัติเต็มร้อยหรืออย่างเท่านั้นถ้าได้ศึกษาเต็มร้อยได้ปฏิบัติเต็มร้อยผลก็จะต้องเต็มร้อยอย่างแน่นอนไม่มีเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ดังนั้น ถ้าเรายัางไม่ได้ปไม่ได้ศึกษากันก็ขอให้เรามาศึกษากันให้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรกันเมื่อเรารู้แล้วเราก็เอาไปปฏิบัติกันถ้าเราปฏิบัติแล้วผลก็จะตามมาอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สงสอนว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีความสำคัญมีคุณค่ายิ่งกว่าใจใจที่สงบ เพราใจที่สงบนี้นำความสุขอันยิ่งใหญ่นำความสุขที่ถาวรมาให้กับพวกเรานั่นเองดังนั้นเราถ้าอยากจะได้ความสุขอันยิ่งใหญ่นี้เราต้องมาปฏิบัติทำตามที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ยุติการหาความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวกันแล้วมาหาความสุขที่เป็นความสุขที่ถาวรกัน ด้วยการมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันถ้าเราได้ทําแล้วผลที่พุทธเจ้าได้พระอนหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับเช่นเดียวกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกับเวลาสามารถรับผลได้ทุกยุคทุกสมัยถ้าเหตุมีเหตุแล้วผลก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเรามีความมั่นใจ ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำอาอกไปปฏิบัติอย่างเต็มกำลังรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เล็วเราก็จะต้องได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีปัญหามีคำถามไม่เข้าใจในวิธีการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะของดการถามตอบปัญหาถ้ายังไม่มีใครถามก็ให้พิธีกรเอ า, าคำถามจากทางบ้านถามถามไปก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณวิภูศนีเด่นดำรงวิทย์ถ้าเราทําทานให้กับคนขอทานแล้วเงินที่ให้ไปคนนั้นไม่ได้เอาไปใช้ในทางสุจริตเช่นนําไปซื้อสุราแทนข้าวเราจะเป็นบาปหรือไม่คะ อ, อ๋อไม่บาปหรอกเป็นการทําของเขาเองเราเป็นคนทําทานเราเสียสละเงินทองให้กับเขา เพื่อให้เขาได้รับประโยชน์แต่เขาเป็นคนโง่เขาไม่รู้จักใช้เงินทองให้เป็นประโยชน์เขาไปซื้อสุราก็จะเกิดโทษกับตัวเขาเองถ้าเราไม่อยากจะให้เกิดโทษกับเขาในภายหน้าก็ซื้ออาหารไปให้เขาซื้อข้าวสารซื้อมามา่าซื้อปลากระป๋องแล้วเขาก็จะได้เอาไว้ทำอาหารแต่ถ้าก็ไปแลกเป็นสุราก็ช่วยไม่ได้ ถ้าเราไม่อยากจะให้เขาทำโทษกับตัวเขาเองก็อาจจะต้องงดการให้เงินให้ทองหรือให้ข้าวให้ของเข้าไปถ้าเขาจะเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นสซลายาเมาขึ้นมาเราก็ต้องยุติการให้เขาเพราะให้แล้วแทนที่จะเกิดประโยชน์กับเกิดโทษกับตัวเขาแต่มันไม่เกิดโทษกับเราเราได้รับประโยชน์เราได้เสียสละแบ่งปันเป็น บุญทาแล้วให้เรามีความสุขใจแต่พอเราไปรู้ว่าเขาไปซื้อสุรามันก็อาจจะทําให้เราไม่สบายใจได้เราก็ควรจะยุติไม่ควรที่จะให้เขาน้องขวากาถามค่ะเวลาที่นั่งสมาธิะคะ่ะแล้วก็มีความเจ็บเนี่ยก็คือบริกรรมไปแล้วพอมันมันออกจากการบริกรรมมาก็คือยงมีความเจ็บอยู่ก็ใช้วิธีเจริญปัญญาว่า ความเจ็บเนี่ยคือมันไม่รุนแรงมันไม่สามารถจะทำอะไรจริตใจเราไดก้ก็เห็นว่าคือใจมันก็ยังเป็นปกติอยู่ค่ะคราวนีพ้พอจะลุกจากนั่งสมาธิเนี่ยคือความเจ็บมันก็คือเหมือนขึ้นมาเยอะเยอะกว่าเยอะกว่าเดิมตอนที่นั่งอยู่ค่ะแต่ว่าใจเราก็ไม่ได้ไปทุกกับมันนะคะความเจ็บมันจะหนักจะเบามันเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของธรรมชาติ ที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้สิ่งที่เราครวบคุมมันบังคับได้ก็คือความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากต่างๆเช่นเวลาเจ็บก็อยากให้มันหายหรืออยากให้มันไม่เจ็บเราก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจที่ร้ายกาดที่ร้ายแรงกว่าความเจ็บของทางร่างกายที่เราทน นั่งไม่ได้แระทนอยู่กับความเจ็บทางร่างกายไม่ได้เพราะเราเกิดความอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปนั้นเราต้องมาควบคุมความอยากตัวนี้ให้ได้การบริกรรมนี้ก็จะทำให้มันไม่มีโอกาสที่จะเกิดความอยากขึ้นมาได้แต่มันก็เป็นการหยุดชั่วคราวถ้าจะหยุดอย่างถาวรก็ต้องไม่กลัวความเจ็บไม่มี ความที่จะให้มันเจ็บไปปล่อยให้มันเจ็บไปให้รู้ว่ามันเจ็บขนาดไหนมันก็ทำลายเราไม่ได้แต่ตัวที่ทำลายเราไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายแต่ความอยากที่ให้ความเจ็บของร่างกายหายไปนี่เราต้องเพิกใจของเราจากความกลัวเจ็บให้เป็นความกล้าเจ็บท้าทายเลยมึงเจ็บกว่านี้ไม่ได้หรือว่าเจ็บแค่นี้เองหรือว่าเอามากกว่านี้หน่อยหรเอว่อย่างนี้ ถ้าเราไม่กลัวมันแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้แล้วต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไป ถ, ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าบางที พ, พูดห่าหมาห่า ง, งเพราะเสียงมันดังกันเลยถ้าเกิดว่า เ, เรามีความเจ็บเนี่ยถ้าถ้าเราคิดว่าเรื่องของการหยุดด้วยพุทธโธเนี่ยเราพอทำได้แล้วนี่ก็คือลองไม่พุทธโธดูลองให้อยู่เฉยๆดูปล mm hmm. ่อยให้มันเจ็บไปปล่อยวางความเจ็บอย่าไปยุ่งกับความเจ็บ อย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากหนีจากมันไปอยู่กับมันไปเหมือนกับอยู่คนที่เราเกลียดเนี่ยถ้าเราอยู่กับคนที่เราเกลียดได้เราจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากจะอยู่กับเขาเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่บางทีมันจำเป็นเราต้องอยู่ด้วยกันแล้วเราทำใจได้ก็อยู่ด้วยกันสามีภรรยาบางคู่เขาไม่ได้รักกันเกลียดกันจะตายไปแต่ก็ยังทนอยู่กันได้ก็พอว่า มันไม่รู้จะทำยังไงมันต้องอยู่ด้วยกันเป็นเหมือนฝาแฝดเหมือนปลาท่องโกมันต้องอยู่ด้วยกันตืนไม่เข้าคายไม่ออกไอ้ความเจ็บของร่างกายก็เป็นเหมือนปลาท่องโกกับใจเราเนี่ยะเราก็ต้องเจอมันอยู่เรื่อยๆตราบใดที่มียังมีร่างกายอยู่มันก็ยังต้องมีความเจ็บอยู่แต่ถ้าเราไม่ไปกลัวเจ็บไม่ไปรังเกียจมันไม่ไปอยากให้มันหายหัดรักมันหัดชอบมัน มันก็อยู่ด้วยกันได้ตอนนี้เราเกลียดความเจ็บกลัวความเจ็บเราก็ต้องเปลี่ยนจากความกลัวความเจ็บมาเป็นความไม่กลัวจากความเกลียดมาเป็นความรักเสียถ้ารักความเจ็บแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้ขอบคุณค่ะคำถามสทางเฟ e b o o k ไลฟ์นะคะ คำถามจากคุณพเชรินการเอาเงินของผู้ป่วยหนักนอนไม่รู้สึกตัวไปทาทานเขาจะได้รับผลบุญไหมคะอยากให้เขาได้บุญคะ่ะอ๋อไม่ได้หรอกเขาไม่รู้เรื่องการทำบุญนี้ผู้ที่กระทำต้องเป็นผู้รู้ว่ากำลังทำอยู่ถึงแม้เวลาตายไปแล้วลูกหลานเอาเงินทองของเขาไปทำบุญเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้ถ้าเขาอยากจะได้เขาต้องทาในขณะที่เขามีความรู้สึกตัว แล้วเขาต้องเป็นคนสั่งให้ทําเช่นวันนี้เอาเงินไปใส่บาตรให้หน่อยนะเยถขาสั่งแล้วเราไปทําให้เขาเขาได้แต่ถ้าเราอยู่ดีๆอไปทําให้เขาโดยที่เขาไม่รู้เรื่องนี้เขาไม่ได้อะไระคาถามสกุลมาซาชิข้อหนึ่งปวารณาด้วยปัจจัยสี่สี่เดือนคืออะไรครับคือคําว่าปวารณาก็คือการเสนอตัวเรา ที่จะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกับพระภิกษุองค์เจ้าเรียกว่าปาวนานการปราวนานี้เราสามารถกำหนดเวลาได้ว่าเราจะจะบริการท่านกี่เดือนกี่วันและจะบริการอะไรบางคนก็ปารานาถวายจีวรตลอดชีวิตนี้ถ้าท่านบวชอยู่แล้วจีวรท่านขาดท่านต้องการจีวรใหม่ก็บอกเราได้เราจะจัดซื้อมาให้อันนี้ก็เป็น บางคนก็ภาวนาเพียงสามเดือนในช่วงเข้าพรรษาว่าช่วงนี้สามเดือนนี้เราอยู่ในวัดถ้าท่านขาดหรืออะไรในในเรื่องปัจจัยสี่ก็ขอให้บอกข้าพเจ้าได้เถิดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการภาวนาเหมือนกับการทำสัญญากับพระสงฆ์องค์เจ้าว่าเราจะรับใช้ท่านเราจะช่วยเหลือท่าน อ, อย่างไร แบบไหนนานหรือสั้นยาวหรือไม่สั้นยาวหรือไม่ยาวนานหรือไม่นานเรากําหนดได้ข้อที่สองอาบัตปาจิตตีมีบทลงโทษอย่างไรครับ อ, อันนี้ต้องไปบวชก่อนเราไปศึกษาดูเอาเองก็แล้วกันอันนี้เป็นเรื่องของพระไม่เกี่ยวกับค า, ว า, ารวะญาติโยมดูไปก็ไม่ไม่เป็นประโยชน์อะไรไปไปบวชก่อนแล้วก็ไปศึกษาดูผู้ที่มาบวชนี้ก็จะให้ศึกษานักธรรมตรี จะให้ศึกษาอาบัตต่างๆของพระคือศสองยีล227ข้อจะแบ่งความหนักเบาของขอ ง, ของการกระทําผิดเหล่านี้จากเบาไปสู่หนักถ้าหนักก็ถึงขั้นต้องให้ให้ลาศิกขาลาเพศไปถ้ายังไม่หนักก็อยู่ต่อไปได้แต่อาจจะต้องชดใช้กรรมด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วแต่พระวินัยจะกำหนดไว้ คำถามจากคุณประภัยพรมีแนวปฏิบัติอย่างไรที่ทำให้เราเป็นผู้มีปัญญาในการแก้ไขปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่โดยไม่รู้สึกว่าปัญหานั้นเป็นทุกข์เราก็ต้องศึกษาวิธีที่พระเจ้าสอนให้เราแก้ปัญหากันแล้วเราก็นำเอาวิธีนั้นไปแก้พระุทธเจ้าบอกปัญหาของพวกเราทั้งหมดนี้เกิดจากความอยากของพวกเราเอง เวลาเกิดปัญหาถามเราควรจะถามตัวเราว่าตอนนี้เราอยากกับอะไรเช่นมีปัญหากับสามีก็ถามว่าเราอยากให้เขาทําอะไรหรือหรืออยากให้เขาไม่ทําอะไรหรือแล้วเราทําให้เขาให้ให้เขาทําตามที่เราอยากได้หรือเปล่าถ้าเราทําไม่ได้เขาต้องทําตามที่เขาอยากที่เขาทําอยู่เราก็มาหยุดความอยากของเราเปลี่ยนความอยากของเราเช่นอยากให้เขาไม่ดื่มสุราแต่เขาก็ไม่เลิกดื่ม เราก็ต้องเปลี่ยนว่อาอยาอยาให้เขาดื่มแล้วเราก็จะมีความสุขอยาให้เขามีความสุขไม่ใช่เหรอถ้าอยากให้เขามีความสุข <streams. S 2> เขาดื่มสุลามีความสุขก็ให้เขาดื่มไปเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขก็จบส่วนใครจะไปรับผลก็เรื่องของคนที่ทำเขาดื่มโซลาเดี๋ยวเขาก็รับไปรับผลของเขาอย่างน้อยก็เสียเงินแล้วเสียเงินไปซื้อโซลา ขั้นที่สองก็เสียสุขภาพร่างกายก็จะย่ำแย่ถ้าดื่มสุราบ่อยๆเดี๋ยวโรคตับโรคไตก็จะเข้ามาแล้วก็จะเสียสติอีกเสียสติเวลาดื่มสุราเมาแล้วก็ไม่สามารถประครับประคองตัวเองให้ตั้งอยู่ในความสวยงามได้วาจาก็จะเป็นวาจาที่หยาบคายกิริยาการเดินการทําอะไรก็ไม่สง่าราศี ก็เกิดความเสียหายกับตัวเขาเราไม่ได้เกิดเสียหายกับเราเราไปวุ่นวายกับเขาทาไมในเมื่อเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเขาได้เราก็ต้องมาเปลี Dabei ่ยนเราแ ท, แทนเปลี่ยนความอยากของเราอยากการอยากให้เขาไม่ดื่มสซรารมาเป็นเฉยเฉยเสียหรือแม้เช่นนั้นก็อยากให้เขาดื่มสซลารไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปซื้อมาให้มันดื่มเลย aire. เราจะได้รักกันเขาก็จะได้รักเราเขาจะไม่เกลียดเรากโกรธเราเราอยากให้เขารักเราไม่ใช่นะ เราอยากให้เขามีความสุขไม่ใช่เลยอันนี้เมื่อความสุขของเขาคือการดื่มสุราแล้วถ้าเราซื้อสุรามาให้ก็ดื่มเขาก็จะรักเราเขาก็จะไม่ทิ้งเราไม่ดีกว่าเลยดีกว่ามาทะเาะกันมาด่ากันมาว่ากันแล้ว็ดที่สุดก็แตกแยกกันคำถามจากคุณสุรจิตการแบ่งบุญให้คนเป็นนอกจากให้คนนั้นพูดอนุโมทนาบุญด้วยใจยินดียังมีวิธีอื่นอีกหรือไม่ครับ พอเราไปบอกเขาบางครั้งให้เขาอนุโมทนาไม่ได้หรอกเพราะบางทีเขาไม่ยินดีกับการทําบุญของเราก็ได้เช่นเราเอาเงินเขาไปทําบุญเนี้ล้วบอกว่าพี่หนูเอาเงินพี่ไปทําบุญเนี้เขาอาจจะไม่อนุโมทนาก็ได้ <Yeah. S 1> เพราะเขายังไม่ยินดีที่จะทําทบุญ <Yeah. S 1> องนั้นเราก็เพียงแต่บอกเขาก็แล้วกันหรือถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องบอกใครการทําบุญของเรานี้เป็นเรื่องของเรา เพียงแต่ว่าบางทีเขาอยากจะรู้ว่าเปไหนมาไหนแล้วก็บอกเขาได้เพื่อเขาจะได้ร่วมบุญด้วยเขาอาจจะได้มีความสุขไปกับการทำบุญของเราตายเขาเป็นคนชอบทำบุญเพราะเขารู้ว่าเราไปทาบุญเขาก็จะอนุโมทนาเพราะเขารู้ว่าการทาบุญนี้มันเป็นความสุขนะเขาก็จะได้ร่วมร่วมกับร่วมความสุขกับเราแต่ถ้าเขาไม่สนใจยาดีก็ไม่ต้องไปบอกเขาให้เสียเวลา คำถามจะคุณกันจนัขอให้พระอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างของศีลห้าด้วยเจ้าค่ะว่าเราต้องงดเว้นอะไรบ้างในแต่ละข้อโอ้ศีลห้ายังไม่รู้อีกเหรออยู่กรุงไทยเป็นเมืองพุทธตั้งแต่เกิดมาเขาไม่มีใครสอนศีลห้ากันเลยเหรอตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วข้อที่หนึ่งก็ไม่ฆ่าสัตว์ฆ่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือ <laughs> เดรัจฉานห้ามฆ่า ชีวิตเขามีคุณค่าเหมือนกับชีวิตเราเราไม่อยากให้เขาฆ่าเราเราก็อย่าไปฆ่าเขาในข้อที่หนึ่งห้ามลักทรัพย์คือไม่เอาของของคนอื่นที่เขาแม่อนุญาตมาเงินทองของเขาเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเอเป็นมือถือกระเป๋าเสื้อผ้าบางทีไปเอาของเขามาใช้โดยที่เขาแม่อนุญาตนี้ก็ถือว่าลักทรัพย์แล้วอยากจะใช้ของคนอื่นนี่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของก่อนถึงจะไม่ถือว่าเป็นการลักทรัพย์ ข้อที่สก็การประพฤติผิดประเวณีก็คือการประพฤติให้ให้ถูกประเพณีอย่าไปพฤติผิดที่ไม่ถูกต้องประเวณีประเวณีของมนุษย์ก็คือมนุษย์นี้ต้องมีคู่เดียวใจเดียวผัวเดียวเมียเดียวถึงเรียกว่าเป็นมนุษย์ถ้ามีมากกว่าผัวเดียวเมียเดียวก็เป็นพวกเดรัจฉานพวกสุนัขพวกแมวนี้มันไม่มีผัวเดียวเมียเดียว มันเจอที่ไหนชอบที่ไหนมีอารมณ์ที่ไหนเมื่อไหร่มันก็มีกันเมื่อ น, นั้นถ้าเราอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ไม่อยากจะเป็นเดราาัจฉานก็ต้องไม่ไม่ประพฤติผิดประเพณีประเพณีของมนุษย์ก็คือการมีผัวเดียวเมียเดียวต้องมีการสู่ขอมีการรับทราบจากผู้ที่เป็นเจ้าของเช่นบิดามารดาของของผู้ที่เราจะไปเอามาเป็นคู่คร อ, องของเราเ นี่คือข้อที่สามข้อที่สี่ก็ไม่ให้โกหกหลอกลวงกันไม่ให้พูดเท็จให้พูดความจริงถ้าพูดความจริงแล้วมันเกิดความเสียหายขึ้นมาก็ให้หุบ ป, ปากเสียอย่าพูดอะไรเฉยเฉยไว้เขาถามแล้วเราพูดความจริงไม่ได้ก็บอกว่าเสียใจจ้าไม่สามารถตอบคำถามานี้ได้ก็เท่านั้นเองแล้วข้อสุดท้ายก็ไม่ให้ดื่มสุรายาเมา เพราะเวลาดื่มแล้วมันจะควบคุมความคิดการกระทําไม่ได้เพราะมันจะโกหกก็จะโกหกเลยเพอจะประพฤติผิดประเวณีมันก็จะประพฤติผิดประเพณีประเวณีเลยเพราะไม่มีสติที่จะยับยั้งความคิดไม่ดีต่างๆนี่คือสินห้าโดยโดยโดยสังเขต นายละเอียดมีเยอะแต่เราไม่รู้เหมือนกันขอให้รู้แค่นี้ก็พอรู้แล้วอย่าไปทำมันก็แล้วกันคำถามจากผู้ฝากถามค่ะข้อที่หนึ่งจิตของเด็กเด็กแรกเกิดมีกิเลสน้อยกว่าหรือเท่ากับคนอายุหกสิบเจ็ดสิบหรือไม่คะออกิเลสมีเท่าไหร่มันก็มีเท่านั้นกิเลสของคนแต่ละคนนี้มันมีมากน้อยไม่เท่ากัน เพราะว่าในอดีตนี้เราชำระกันมากน้อยไม่เท่ากันหรือเราสะสมกิเลสมากน้อยมาไม่เท่ากันยา น, นเวลามาเกิดนี้มันก็มีตามที่มันเคยเป็นเคยมีมาถ้าอดีตชาติเคยมีเท่าไหร่มาเกิดมันก็จะมีเท่าเดิมแล้วมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วมีเพิ่มน้อยห ล, หลังจากที่เราเกิดแล้วเพราะถ้าเราไปเกิดในครอบครัวที่เขาสอนให้เรา กำจัดกิเลสเราก็จะกำจัดกิเลสเช่นอยู่กับบ้านที่เขาเคารพนับถือพระพุทธศาสนาเขาก็จะสอนให้ละกิเลสกันแต่ถ้าเราไปอยู่กับครอบครัวที่เขาไม่เคารพไม่นับถือศาสนาไม่มีศาสนาเขาก็จะสอนให้เราสะสมกิเลสกันกิเลสก็จะเพิ่มมากขึ้นน้อยลงตามสิ่งแวดล้อมตามบุคคลที่เราไปเกี่ยวข้องด้วย พระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรารู้จักคบคนอยากไปคบคนที่มีกิเลสให้คบคนที่ไม่มีกิเลสเพราะคบคนมีกิเลสเขาก็จะชวนให้เราไปสร้างกิเลสกันถ้าไปคบคนที่ไม่มีกิเลสเขาก็จะสอนให้เราให้เราละกิเลสกันเนี่ยที่ให้เรามาวัดก็เพื่อมาคบกับคนที่ไม่มีกิเลสคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่านก็จะสอนให้เรามาละกิเลสกัน ถ้าเราไปคบกับคนที่มีกิเลรเขาก็จะสอนให้เรามีกิเรกันต้องหาเงินเยอะๆต้องหาสมบัติเยอะๆต้องหาอะไรเยอะๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนมีกเกเรงั้นเราเราก็จะทําตามเขาเพราะเขาจะมีอิทธิพลต่อเราเราจะเกรงใจเขาเมื่อเราไปคบกับเขาเขาชวนเราไปลงทุนเราก็ต้องไปกับเขาแต่ถ้าไปคบกับคนที่ชอบทําบุญเขาก็จะชวนเราไปทําบุญ มันก็อยู่ที่บุคคลที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยข้อที่สองจิตประภัสสนคืออะไรคะเด็กแรกเกิดมีจิตประภัสสรหรือไม่อย่างไรคะ อ, อ๋อไม่มีหรอกจิตประภัสสนนี่หมายถึงจิตของผู้ที่ได้เข้าสู่อริยธรรมหรือเข้าสู่ฌานสมาบัติจ ะ, จะอยู่อยู่สมาธิจิตถึงจะสว่างสวยจิตที่สงบนี่แหละเรียกว่าจิตที่ประภัสสน ถ้ายังไม่ได้นั่งสมาธิจิตยังไม่สงบนี้ยังไม่ประภัดสอนหรือถ้ายังไม่ได้ชำระกิเลสในระดับพระโสพระอนาคามีก็ยังจะไม่ได้จิตประภัดสอนค่ะำถามสกุลพิมพ์ทองถ้ารู้สึกเบื่อหน่ายหดหู่เศร้าหมองมองอะไรก็เบื่อไปหมดจะทําอย่างไรดีคะถ้าเบื่อแล้วไม่ทุกข์ก็ดีจะได้ไม่ต้องไป ไปขวนขวายไปหาสิ่งต่างๆมาเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นความทุกข์ถ้าเราเบื่อมันเพราะเราเห็นว่ามันทุกข์แล้วเราไม่อยากได้มันนี่ก็ถือว่าดีแล้วกลัวมันจะเบื่อแบบเบื่อๆอยากๆสามวันดีสี่วันไข้ยเวลาดีกันก็เวลาดีกันก็ไม่เบื่อพอเวลาทะเลาะกันก็เบื่ออย่างนี้ไม่ถูกะ มันต้องเบื่อแบบพ่อเห็นว่าเขาทุกข์อย่าไปอยู่กับเขาดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าเบื่อแบบนี้ดีอแต่ถ้าเบื่อแบบเบื่อๆ อ, อ, อยากๆนี่ยังไม่ดีเวลาเขาไม่ดีกับเราก็เบื่อพอเขาดีกับมาก็หายเบื่ออยากเขาขึ้นมาใหม่คําถามสกุลชุดตินานมีคนที่ชอบฟังธรรมะร่วมกับเราแต่ไม่เข้าใจเพราะไม่รู้ภาษาแต่ใจเขาศรัทธาเขาฟังแล้วจะได้บุญไหมคะ ได้ถ้าเขาตั้งใจฟังเขาไม่คิดเรื่องอื่นเขาก็จะได้ความสงบการฟังธรรมก็เป็นเหมือนกับการนั่งสมาธิถ้าเราใช้ธรรมะนี้เป็นตัวกล่อมใจแทนที่จะใช้พุโทโธเราก็ใช้เสียงธรรมนี้กล่อมใจเราได้ถ้าใจเราเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจเราก็สงบได้ก็จะได้สมาธิได้ความสงบได้บุญ คำถามจากคุณเพนสีถ้าสามีเป็นคนต่างชาติไม่มีความเชื่อเรื่องการทำบุญทำอย่างไรเขาถึงจะมีส่วนร่วมในบุญที่เราทำทุกครั้งคะใช้วิธีอุทิศผลบุญให้เขาในขณะที่มีชีวิตอยู่ได้ไหมคะอะไม่ต้องแล้วเงินที่เขาให้เรานี่เขาก็ได้บุญแล้วการให้เงินกับเรานี่ก็เป็นการทำบุญแล้วการให้นี้ไม่ว่าจะให้ไข่เป็นบุญทั้งนั้นให้แฟนให้สามี ให้คนที่เราไม่รู้จักให้พ่อให้แม่ให้แมวให้มใหมาได้บุญทั้งนั้นเป็นการเสียสละเป็นการแบ่งปันงั้นเราไม่ต้องไปกังวลเขาให้เรานี่แสดงว่าเขาได้ทำบุญแล้วคำถามสกคุณทั ญ, ญพรข้อหนึ่งการที่เราไปร่วมงานสวดพุทธาพิเศษสวดข้ามคืนได้อนิสง์ได้บุญไหมคะการสวดมนต์ก็เป็นการเจริญสติ เป็นการฝึกทำสมาธิถ้าเราสวดโดยที่ไม่ไปคิดอะไรแล้วจิตเราสงบเราก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบข้อที่สองการที่เราไม่กินสัตว์ที่เรานาไปปล่อยเช่นปล่อยปลาดุกไม่กินปลาดุกเป็นความคิดที่ถูกต้องไหมคะก็ไม่รู้ทำไมจะไม่กินมันถ้ามันตายก็กินมันได้อยู่ดีอย่าไปฆ่ามันเท่านั้นเองเราปล่อยปลาชนิดไหนเราก็อย่าไปฆ่าปลาชนิดนั้น ความจริงไม่ว่าจะปล่อยแล้วไม่ปล่อยก็ไม่ควรจะฆ่าเลยการฆ่านี้มันไม่ดีเป็นบาปแต่การกินของที่ตายไปแล้วนี่ไม่บาปเช่นเราไปตลาดแล้วมีของตายแล้วปลาตายขขาวขายกันอยู่นี่เราจะกินไม่กินจะซื้อมาไม่ซื้อมามันก็ตายอยู่ดีมันไม่มีส่วนกับเราเราไม่ได้มีส่วนกับการที่ทำให้เขาตายงั้นการกินเขานี่มันก็เหมือนกับกินผักดีๆนี่เองเหมือนกัน ไม่่่เป็นบาาแตอยงดคําคถามจากคุณเพ ช, ชี้พิงชอบทําบุญแต่เวลาจะออกไปทําบุญเช่นถวายพระเาสารพระตอนเช้าไปบ่อยๆทุกอาทิตย์ตุภการีมักจะบน่นทําอย่างไรดีคะรู้สึกไม่ดีเลยก็ไม่ต้องไปรู้สึกอะไรต้องทําความเข้าใจว่าเขาเป็นคนไม่เห็นคุณค่าของการทําบุญเขาอาจจะเห็นว่าทําแล้วเสียมีแต่เสียเงินไม่ได้อะไร เพราะเขาไม่เห็นผลที่ได้จากการทำบุญเพราะเขาไม่เคยทำบุญมาก่อนก็อย่าไปสนใจเขาจะพูดยังไงเขาจะว่ายัางไงถ้าเป็นเงินของเราเราก็ทำของเราไปหรือถ้าจะให้ดีก็ไม่ต้องไปบอกเขาหรือไม่ต้องให้เขารู้จะดีกว่าแต่ไม่ต้องไปแอไปทาแบบว่าเหมือนกับเราไปทาบาปเราต้องทาอย่างสง่าผ่าเผยคนอื่นจะยินดีหรือไม่ยินดีนันเป็นเรื่องของเขา คำถามจากคุณจันผาครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยสอนชายคนหนึ่งว่าเมื่อท่านเห็นให้สักแต่ว่าเห็นเมื่อท่านได้ยินให้สักแต่ว่าได้ยินเมื่อทราบให้สักแต่ว่าทราบในการนั้นท่านย่อมไม่มีดังนี้ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังนี้คืออะไรครับคือการเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอ น, นัตตาไม่ควรที่จะไปยินดียินร้าย เพราะถ้าไปยินดียินร้ายแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ารู้เฉยๆแล้วก็จะไม่ทุกข์นั่นเองอเนี่ยเสียงเครื่องบินดังตัวนีนน้ถ้าเราไปอยากให้มันหายมันเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราเฉยๆปล่อยมันดังไปเดี๋ยวมันก็ไป อ, อันนี้จังเดี๋ยวมันก็ดับเฉยๆเนี่ยอย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เราได้ยินความหมายก็คืออย่างนั้น คำถามสักคุณศิรินจะปฏิบัติทำอย่างไรที่จะทําไม่ให้กลับมาเกิดอีกเจ้าคะก็ต้องไปบวชเรือ ป, ปฏิบัติแบบนักบวชอยู่แบบนักบวชบวชอยู่ที่บ้านก็ได้ถ้าบวชที่วัดไม่ได้ก็หาซื้อบ้านซักหลังหนึ่งแล้วก็ทําบ้านนั้นเป็นวัดขึ้นมาแล้วก็อยู่คนเดียวปฏิบัติมันทั้งวันทั้งคืนไม่ไปทําอะไรอย่างอื่นเอตอนนี้คำถามหมดค่ะ มีายงานวัดดูจากโอซาก้าชัดเจนดีค่ะเห็นมีญาติอยู่มืเช้านี้เขาบอกแถวพัทยาในรยะยะทิศเทลามานี้รับไม่ได้เลยเยที่นี่ก็มีที่อื่นเขาก็รับกันได้หมดใช่ไหมเขาบอะอีกรอบนึ่่ไม่รู้เป็นเพราะอะไระเพราะว่าเราเคยมีปัญหาคือมีอยู่วันหนึ่งที่เครื่องขยายเสียงมันเสียเสียงมันเลยค่อยอก็มีเพียงวันเดียว หลังจากนั้นก็ได้การแก้ไขแต่มันที่เสียอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็คือ YouTube YouTube คือรับได้แต่เสียงจะค่อยเพราะตัวเครื่องขยายเสียงนี่มันเสียกำลังเอาไปเคลมอยู่เอาไปซ่อมอยู่แต่ทาง Facebook นี้รู้สึกว่าเป็นปกติแล้วก็มีคนรายงานมาจากทุกสารทิศว่าเขารับชมได้ภาพดีเสียงดี เน็นถ้าแถวพัทยานี้รับไม่ได้ก็อาจจะเป็นที่ปลายทางว่ามีปัญหาหรือว่าเครื่องของเรามีปัญหาหรือเปล่าเห็นว่าบางทีบางคนไปอัปเดต i อโออันใหม่มันอาจจะไม่เข้ากับ iOS อันเก่าของระบบเก่าอะไรทำนองนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ก็ช่วยไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราไม่ใช่เป็นช่างเทคนิคก็ต้องลองไป เช็คกับทาง Facebook เขาดูหรือเช็คกับดีแท็ผู้ที่ให้บริการว่ามันเป็นอย่างไรถึงรับไม่ได้แต่บางทีเราผู้รับนี่ไม่ต้องใช้ดีแท็ก็รับได้เนี่ยเพราะเขาใช้ระบบที่เชื่อมต่อกันใช่ไหมงั้นมันเป็นเรื่องของเรื่องของทางเทคนิคเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่เขาบอกว่าดูย้อนหลังได้ ก็ดูย้อนหลังไปก็แล้วกันเขามีท่านรยายงานมาจากแอมบาสเดอร์บอกว่าชัดเจนดีค่ะ อ, อีก อ, อย่างหนึ่งคือลองลองรีเฟรชหน้าของเฟซบุ o กอะค่ะอาจจะช่วยได้ถ้าเกิดว่าดูแล้วอลองเปิดปิดแล้วเปิดใหม่ดูหรือถ้าสงสัยก็ลองปิดเครื่องเลยแล้วเปิดเครื่องใหม่มันอาจจะมีแมลงบางตัวเข้าไปทำให้มันเสียก็ได้ ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าบลักบลักก็แปลว่ า, มาแมลงหรือไวรัสมันก็อาจจะทำให้เครื่องมีปัญหาได้ก็ทดลองดูก็แล้วกันถ้าไม่ได้ก็ถือว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปอยากแล้วมันก็จะไม่ทุกข์เอายินดีตามมีตามเกิดได้ดูอะไรก็ดูมันไปดูสดดูดูที่เก็บย้อนหลังมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันไม่มี เบ่งแต่ว่าเวลามันต่างกันเท่านั้นเองคำถามเจคุณอนันต์การที่นั่งสมาธิแล้วเงียบไปเลยไม่รู้สึกอะไรแล้วมารู้สึกอีกทีไม่ง่วงค่ะถ้าง่วงจะรู้ว่า ง, ง่วงไม่แน่ใจว่าหมายความว่าไม่มีสติหรือเป็นสมาธิคะนั่นแหละถ้าไม่รู้ก็ไม่มีสตออิอยากจะให้คนที่อยู่ทางพัทยาถ้ารับได้ก็ลองช่วยส่งรายงานผลให้หน่อย เพราะคนที่อยู่พัทยาบางคนก็บอกเขารับไม่ได้ในระยะอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าคนที่อยู่แถวพัทยารับได้ช่วยยืนยันมาหน่อยว่ารับได้จะได้รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนกันแนะ่วันแล้วเหรอมีค่ะคำถามจากคุณโกหวานจากคุณสุรจิตนะคะลูกบวชพระและเป็นพระปฏิบัติดีผลบุญของท่านที่บวชพระจะส่งถึงพ่อแม่หรือไม่ครับ ส่งต่อส่งถ้าเขาสนใจถ้าพ่อแม่สนใจแล้วมาศึกษาจากเราแล้วเราก็สอนเขาเขาปฏิบัติตามเขาก็จะได้รับผลอย่างพระพุทธเจ้านี้พอหลังจากที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ไปสอนแม่ที่สวรรค์แม่ก็สนใจฟังรับปฏิบัติตามจนได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันขึ้นมา อรญยาก็สนใจแม่ก็แม่เลี้ยงก็สนใจออกบวชเป็นภิกษุณีคนแรกของพระพุทธศาสนาลูกชายก็บวชเป็นเนนเป็นเนนคนแรกของพระพุทธศาสนาพ่อก็บรรลุเจ็ดวันก่อนตายได้รับประโยชน์แต่เขาต้องสนใจเขาต้องฟังต้องศึกษาแล้วปฏิบัติตามเขาถึงจะได้รับประโยชน์ มันไม่เป็นอัตโนมัติเข้าใจไหมพอเราบรรลุเป็นโสดาบันปั๊บพ่อแม่ก็เป็นโสดาบันตามาทันทีมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกับลูกที่เกิดในครอบครัวไหนปับ๊บก<ส>็ได้เป็นถ้าครอบครัวเป็นขอทานก็ได้เป็นขอทานตามพ่อแม่เลยถ้าครอบครัวเป็นหมาเศรษฐีก็ได้เป็นหาเศรษฐีตามพ่อแม่เลยถ้าครอบครัวเป็นใหญ่ก็ใหญ่ตามพ่อแม่เลยแต่เรื่องของธรรมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้มัน มันไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติแต่มันเป็นได้แต่ต้องทำให้มันเป็นขึ้นมาคำถามสกุลแพทซี่อุทิตบุญให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสินั่งสมาธิกับใส่บาตรประจาบุญไหนได้มากกว่า ก, กันคะคือการอุทิตนี่ส่วนใหญ่เราไม่ได้อุทิตให้เจ้ากรรมนายเวรเราอุทิตให้กับญาติพี่น้องที่เราลากเราเคารพเราห่วงเราใย ให้เขาได้มีสเสบียงติดตัวเพราะเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เขาอาจจะไม่มีเวลาหรือเขาอาจไม่เชื่อในเรื่องของการทําบุญถ้าเขาตายไปแล้วเขาอาจจะไปเป็นเปรตก็ได้ถ้าเราอยากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเขาแล้วก็อุทิศบุญไปให้เขาเขาอยู่ในฐานะของขอทานทางจิตวิญญาณการทําบุญอุทิศนี้จะทําให้เขาได้ ได้บุญที่จะทำให้เขาอยู่ดีสบายขึ้นกว่าตัวกว่าไม่มีใครอุทิศให้กับเขาเป็นเหมือนกับขอทานถ้ามีคนให้ห้าบาทสิบบาทก็ทำให้เขาสามารถไปซื้อขนมไปซื้ออาหารกินได้นี่คือเรื่องของการอุทิศไอ้เรื่องที่จะให้เจ้ากรรในายเวณโหเสนีมันยากมันไม่ใช่อยู่ดีๆไปตีหัวเขาแล้วก็ไปทาบุญใส่บาทให้เขา มันมันไม่ได้หรอกถ้าไปตีหัวเขาก็ต้องไปให้เขาตีหัวเรานั่นแนะ่ะมันถึงจะหาย <c oughs> ชอบไปชอบไปทำร้ายเขาแล้วก็ไปทําบุญอุทิศให้เขาแล้วมันจะเขาจะยอมหรอถ้าเราเป็นเขาเราจะยอมไหมเขามาตีหัวเราแล้วก็มาทำบุญใส่บาตรให้เราแล้วอุทิศให้เรามันไม่หายหรอก เราอย่าไปทำร้ายเขาเสียแล้วเขาก็จะไม่มาทำร้ายเราถ้าเราทำร้ายเขาแล้วเราก็เตรียมตัวเตรียมใจรับกับผลที่จะกลับคืนมาคำถามจากคุณพุทธชาติถ้าถ้าสถานที่ทำสมาธิเสียงดังแต่เราอ ด, อดทนทำไปจะได้ผลน้อยกว่าทำสมาธิในสถานที่สงบใช่หรือไม่คะก็ลองพิสูจน์ดูสิเก่า อ, อย่างนี้ต้องพิสูจน์ดู คำถามจากคุณนภัรการนั่งสมาธิของนักของแม่ชีหรืออุบาสิกาควรนั่งพับเพียบหรือขัดสมาธิแบบไหนจึงจะเหมาะสมคะเ อ, อถ้าเรานั่งของเราอยู่ในที่พักของเราตามลําพังนี้นั่งท่าขัดสมาธินี้ดีที่สุดแต่ถ้าเราอยู่ในที่สาธารนณะเช่นเรากํากนนลังไหว้พระสวดมนต์เนี่นั่งฟังเทศฟังธรรมนี้ มันเป็นธรรมเนียมที่เราจะต้องนั่งพับเพียบเพื่อเป็นการแสดงความคารวะความเคารพเขาถือว่าท่านั่งขัดสมาธินี้มันเป็นท่านั่งสบายเป็นท่านั่งที่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความเคารพแต่การนั่งพับเพียบนี้ถือว่าเป็นการนั่งด้วยความเคารพเนในเวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมเวลาเราพิธิทำพิธีกรรมขอศีลไหว้พระสวดมนต์ร่วมกันนี้เรามักจะนั่ง นั่งทับเพียบกันแต่ถ้าเวลาเราอยู่คนเดียวนี้เราจะนั่งในท่าไหนก็ได้ต อ, ตอนนี้คำถามหมดค่ะหมดก็ดีล้เพราะก็่อสมควรแก่เวลาถ้าไม่มีใครอยากจะถามอะไรอีกก็ก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ